วันอาทิตย์ไปเทศสาลาลุงชินเทศเสร็จแล้วโยมตอนนมนต์ไปพ่เชีงยงใหม่ไปถึงบันจันทร์ก็ขึ้นไปเทศภูพิงวันอังคารเทศอีกที่หนึ่งวันพุธก็เทศที่พุทธสถานแต่ก็ดีนะไปเห็นข้างนอกก็บ้างนะเห็นแต่คนทางกรุงเทพภาวนา อย่างอาทิตย์ก่อนโน้นไปสระบุรีมาโอ้คนภาวนาเก่งๆเยอะเลยลูกเล็กเด็กแดงภาวนาดีๆเยอะขึ้นไปเชียงใหม่ก็เห็นคนภาวนาเก่งๆเยอะแยะเลยเข้าไปฟังกันเยอะมากสองพันกว่าคนแน่นเลยสถานที่เขาได้ได้พันห้าล้ำลงไปลดลงไปเยอะตั้งอกตั้งใจมากที่เชียงใหม่แปลกมีภิกษุณีไปฟังเยอะเลย ผู้หญิงไปบวชเป็นภิกษุนะีนจะเป็นลูปผสมระหว่างมหายานกับเทรวาสคือพิกษุนีเทรวาสไม่มีเขาก็ไปบวชภิกษุณีจากไต้หวันกันแล้วก็ไปบวชเป็นพระเทรวาสให้พระยติให้พระพระสงฆ์พระผู้ชายรับรองที่หลังกาลําบากจริง ไม่สำคัญหรอกมันเป็นสมมุตินะนะเป็นนักบวชนะแต่ว่าเขาอยากเป็นพิกษุนีกันก็ไม่เป็นไรอยากเป็นก็เป็นนะตัวสำคัญก็คือภาวนาภาวนาจริงไม่มีผู้หญิงผู้ชายอะไรหรอกแต่ว่ามันมีนักบวชกับฤ ห, หัีผู้หญิงเป็นนักบวชของเราก็มีแม่ชีแม่ชีภาวนาเก่งๆ ก, ก, ก็ตมเทพไปนะไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบว่าจะผมสีอะไร พวกเราหัดภาวนาตั้งอกตั้งใจนะมันก็เก่งเราเป็นพระโดยไม่ต้องบวชก็ได้นะเป็นพระแท้ๆโดยไม่ต้องบวชก็ได้เั้นอยู่ที่เราภาวนาเอาจริงเอาจังแค่ไหนธรรมะเป็นของคนจริงนะคนโลเลเละแหละไม่ได้กินหรอกนั้นภาวนาต้องต้องเด่นเดียวจริงๆหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะไม่เคยให้ครูบาอาจารย์ต้องเชี่ยวเข็นเลย ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยท่านสอนให้ทำอะไรก็ทําลูกเดียวเลยไม่มีลังเลเลยนะลุยแหลกภาวนาทุกวันทุกวันไม่ต้องอ้อนบอลไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์เชี่ยวเข็นไปส่งกันบ้านเนี่ยไม่เคยไม่มีกันบ้านไปส่งไม่เหมือนพวกเราหลายคนชอบปั่นกันบ้านหน้าวัดเนีทีก็ลอกกันบ้านเพื่อนถามตามเม้อไป อยากพ้นทุกข์นะต้องเอาจริงนะแต่การเอาจริงไม่ใช่แปลว่าต้องลำบากการเอาจริงนะถ้าถูกหลักนะแล้วก็ขยันคอยรู้กายคอยรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปกิเลสมันทนสติปัญญาเราไม่ไหวหรอกักฟอกมันเข้าไปทุกวันดูมันเข้าไปทุกวันมันต้องเห็นความจริงจนได้เมืนะ่อทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเราเพาจริงๆไม่ใช่เรา จริงๆมันไม่ใช่เราแต่ไหนแต่ไรละไม้สำคัญผิดว่าเป็นตัวเรามีตัวเราก็มีตัวเขามีของเรามีของเขาขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาแย่งชิงกันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกั น, นหุ่นวายงั้นเราหัดภาวนารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจการเดินปัญญาเนี่ยอยู่ที่ต้องค่อยๆแยกแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆไป อย่าถ่ายรูปนะตอนหลวงพ่อเทศย่าถ่ายรูปควรควรคว ร, ควรหลวงพ่อด้วยควรคนอื่นด้วยนะจำหน้าหลวงพ่อไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก <c oughs> จำธรรมะหลงพ่อไว้นะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้จริงๆเมื่อก่อนมีคนไปถ่ายรูปหลวงปู่สิมนะท่านเทศเทศอยู่ก็ไปถ่ายรูปท่านท่านก็ถามถ่ายไรถ่ายรูป ถ่ายได้แต่รูปถ่ายไม่ถึงนิพพานมีแต่รูปประนามไม่ถึงนิพพานนะงั้นเอาธรรมะนะธรรมะสําคัญรูปไม่สําคัญหรอกไม่นานก็แตกสลายธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นของยั่งยืนนะเอาธรรมะให้ได้นี่ขึ้นไปกลับ ร, รูปปั้นหลวงปู่ศิน ม, มาด้วยนะอยู่กับครูบาอาจารย์อบอุ่นล่มเย็นท่านเมตตาปราณีนะ สินครูบาจารย์ไปเหมือนลูกกำพร้านะลาบากตอนนี้เรายังมีครูบาอจารย์อยู่ก็ตั้งออกตั้งใจเรียนครับธรรมะไม่ใช่ของยากอะไรหรอกเราต้องรู้หลักนะว่าการปฏิบัติทั้งหมดมันมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเรียกสมถะส่วนหนึ่งเรียกวิปัสสนานการภาวนามีสองส่วนนะแต่ก่อนจะถึงภาวนาเราเป็นคารวาะเราก็มีทานมีศีล น, นะ ทำทานรักษาศีลทำทานก็สำคัญเช่นอาฆาตโขนโกรธคนก็อาภาัยให้เขาได้นี่เียานทำไปแล้วลดความพยาบามช่วยลดกิเลสเหมือนกันนะมีความเห็นแก่ตัวมีความรู้ความเข้าใจใครถามก็ไม่บอกนี่เห็นแก่ตัวก็ทำทานให้ธรรมทานให้ความรู้ความเข้าใจคนอื่นลดละความเห็นแก่ตัวลงนี่ช่วยล้างกิเลสท่างนั้นเลยทั้งทานทั้งศีล มีศีลก็ดีใจสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายอย่าอย่าทอดทิ้งการรักษาศีล น, นะหลวงพ่อเคยเห็นบางคนเอาแต่ปัญญาไม่สนใจศีลใช้ไม่ได้เลยหรือเอาแต่ปัญญาไม่สนใจสมาธิเลยใช้ไม่ได้เลยงั้นทำกุศลนะทำให้ถึงพร้อมนะศีล ส, สมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมนะเป็นครวาตก็มีฐาน เป็นพระก็มีทานทานอีกแบบมีศีลแล้วก็มาภาวนาการภาวนามีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานขั้นตอนหนึ่งเรียกวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยทำให้จิตใจมีเรี่ยวแรงจิตใจสงบศีลนั้นทําให้กายวาจาสงบนะสมาธิหรือสมถะเนี่ยทำให้จิตใจสงบ มีศีลกายวาจาสงบไม่ร่ารานใครมีสมาธิใจสงบมิธิทาสมาธิก็เลือกเอาคนไหนขี้โมโหนะก็เจริญเมตตาไปเพิ่มบารมีทางเมตตาจิตใจมีเมตตาแล้วจิตใจก็ไม่โมโหเนี่ยคนไหนโลภมากมีราคารุนแรงพิจารณาปฏิกูลสุภะพิจารณาไปแล้วนะเห็นร่างกายตัวเองก็ไม่สวยไม่งามเห็นคนอื่นก็ไม่สวยไม่งาม อย่างนี้มันก็ข่มราคะลงไปนี่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นนะจิตใจสงบนี่พอกายวาจาใจสงบแนละ้วก็พร้อมจะเจริญปัญญานะถ้ากายวาจาใจไม่สงบอย่ามาคุยเรื่องเจริญปัญญาทำไม่ได้จริงหรอกนี้จะให้ใจสงบก็ไม่ใช่ว่าต้องไปเข้าฌานนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่อยๆฝึกไปนะใจมันฟุ้งซ่านมากคิดโน่นคิดนี่นะให้มันมาอยู่ในอารมณ์มันเดียว ไม่ยากอะไรคนไหนขี้มโหก็มาอยู่กับการเจริญเมตตาไปคนไหนฟุ้งซ่านง่ายก็มาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจแล้วแต่ถนัดเจริญไปเรื่อยนะั้นมันได้บารมีหลายตัวคนจะข้ามพพข้ามชาติได้บารมีต้องเต็มบารมีต้องครบบารมีมีสิบตัวบารมีที่เกิดจากการเจริญปัญญาเนี่ย ปัญญาบา ร, รมีบา ร, รมีอื่นๆก็ต้องทําอย่างอื่นด้วยอย่างเจริญเมตตาใช่หไหมเมตตาบา ร, รมีเราตั้งใจปฏิบัติก็ต้องมีขันติใช่หไหมมีอธิษฐานบา ร, รมีตั้งใจมั่นมีสัจจะรักในความจริง ม, มีทานการเสียสละเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเป็นบา ร, รมีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าดูถูก ไม่ใช่จ ะ, จะเจริญปัญญาอย่างเดียวทิ้งบารมีตัวอื่นไปหมดเลยข้ามภพความชาติไม่ได้หรอกบารมีทุกตัวนะั่นจะส่งทอดเราขึ้นไปมันจะทําให้เราลดละความเห็นแก่ตัวลดละความรักตัวเองในนาทีสุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาติจริงๆต้องเต็มถ้ากระพร่องกระแร่งนะใจจะถอนเลยใจสู้ไม่ได้นาทีจะข้ามภพข้ามชาตินั้นจะเห็นทุกมหาศาลเลยสำหรับคนทรงชาต น, นะจะเห็นทุกมหาศาลเลย ลําบากมากเหมือนจะตายนี่พอเหมือนจะตายขึ้นมาเนี่ยถ้าบารมีไม่พอนะมันจะถอยอย่างเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะสู้ตายพอมันจะตายจริงๆนะใจถอยแล้วไม่เอาดีกว่ารักษาชีวิตรอดไว้เดี๋ยวค่อยภาวนาเอาใหม่อย่าเงี้ยเนี่ยบารมีไม่พออธิฐานบารมีไม่พอไม่มีสัจจะกับตัวเองด้วยไม่มีขันติด้วยไม่มีฐานะบารมีกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะด้วย กลับมาอยู่กับโลกดีกว่าขาดนี่ยขมมาบารมีเวียนกลับมาสู่กามอีกกลับมาสู่โลกอีกไม่มีปัญญาบารมีไม่รู้แจ้งอริยสัจเพราะเราต้องสะสมทั้งหมดเลยนะคุณความดีทั้งหลายทานศีลภาวนาภาวน า, า, วนามีสมถะมีวิปัสสนาถ้าฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมานะบางคนก็ฝึกวิธีง่ายๆฝึกอย่างอื่นไม่ได้ก็ดูจิตเอาถ้าดูจิตเป็นนะ เคยไม่มีศีลก็จะมีศีลไม่มีสมาธิก็จะมีสมาธิขึ้นมาดูจิตดูใจของเรามีสติรักษาจิตไปด้วยรู้ทันจิตไปกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้เรื่อยนะกิเลสครอบงาจิตไม่ได้จิตไม่ผิดศีลหนอกจิตไม่ผิดศีลกายวาจาก็ไม่ผิดศีลรักษาใจไว้ได้ตัวเดียวเนี่ยกายวาจาก็เรียบร้อยไปด้วยคนเราทําผิดศีลทางกายทางวาจาได้นั้นก็เพราะว่ากิเลสครอบงําจิต กิเลสครอบงำจิตเพราะว่าไม่มีสติรู้ทันนะงั้นเราอยากรักษาศีลให้สบายไม่ลําไม่ลำบากอย่างคนไม่มีสติรักษาศีลยากที่สุดเลยเดี๋ยวก็เผลอแล้วเผลอก็ทําผิดศีลอีกแล้ศีลก็พร่องก็แกร้งศีลโกลโกโสอย่างนั้นใช้ไม่ได้มีสติรู้ทันจิตบ่อยๆไปกิเลสเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทัน อย่างราคะเกิดเรารู้ทันนะราคะครอบงําจิตไม่ได้ก็ไม่เป็นชั่วใครไม่มีกิ๊กมีอะไรหรอกนะไม่ขโมยใครหรอกอัตโนมัติขึ้นมาอย่างนี้โทสะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันนะโทสะครอบงำจิตไม่ได้มันก็ไม่ฆ่าไม่ตีใครแม่สําคัญนะมีสติรักษาจิตเอาไว้คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยกิเลสครอบงำไม่ได้ก็มีศีลขึ้นมานีกจิตใจฟุ้งซ่านได้ก็เพราะกิเลสนะนะั่นแหละ จิตใจทำผิดศีลได้ก็เพราะกิเลสจิตใจฟุ้งซ่านได้ก็เพราะกิเลสแล ม, มีสติอยู่นะใจิตใจมันฟุ้งขึ้นมารู้ทั น, นความฟุง้งซ่านก็ดับไปจิตมันคิดไปในเรื่องกามมีกามมาฉันทะนิวรณ์จิตมันตรึกไปคิดไปในกามมีสติรู้ทันนะกามมาฉันทะก็ดับไปใจมันตรึกไปในทางพยาบาทคิดไปทางพยาบาทมีสติรู้ทันนะความพยาบาทก็ดับไปมีสติ รู้ทันใจมันฟุ้งซ่านรู้ทันใจมันหดหูรู้ทันใจมันเละลังเลสงสัยรู้ทันขึ้นมากิเลสพวกนี้จะดับไปกิเลสระดับนี้เรียกว่านิวรณ์เป็นกิเลสชั้นกลางนะถ้ากิเนิวรณ์มันทำงานขึ้นมาได้มันจะกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบเป็นราคะาโทสะมโมหะขึ้นมาถ้าราคะโทสะโมหะเกิดแล้วมันครอบงําจิตนี่นจะผิดศีลนะแต่ถ้านิวรณ์เกิดนะยังไม่แรงถึงขั้นราคะโทสะโมหะจะเสียสมาธิไปจิจะฟุง้งจิตจะเคลื่อนไป เลื่มกายเลื่มใจล้ไม่อยู่กันเนื้อกับตัวล้วฉะนั้นเรามีสติรู้ทันจิตนะจิตมีนิวรณ์เกิดขึ้นเช่นการมาฉันทะความพอใจในกามเกิดขึ้นพยาบาทเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคอยรู้ทันลงไปกิเลสนิวรณ์มันก็ดับอยู่ไม่ได้ออมสูสมม้สติไม่ได้มีสติเมื่อไหร่ไม่มีกิเลสหรอกนะนี่เราก็ล้าง ความฟุ no ้งซ ki ่านของจิตไปจิตไม่หลงปรุงหลงคิดหลงนึกไปจิตอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นหลุดออกจากโลกของความคิดได้แม้สมาธิทําไปนะเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดอันนี้วอรนั้นมันลากให้เราปรุงไปลากให้เราคิดไปคิดไปในกลางคิดไปในพยาบาทคิดฟุ้งซ่านคิดหดหูคิดสงสัยอันนี้วอนมันลากให้เราหลงไปคิดให้จิตฟุ้งซ่านมีสติรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคราวนี้ พอจิตใจอยู่กันเน้อกับตัวนะคราวนี้เดินปัญญาได้ไม่สําคัญนะมีสติรู้จิตไปกิเลสหยาบครอบงำไม่ได้กายวาจาเรียบร้อยมีสติรู้ทันกิเลสอย่างกลางๆลางเรื่อนิวรณ์นิวร น, นี่เป็นตัวกระตุน้นถ้าปล่อยมันรู้ไม่ทันมันจะกลายเป็นกิเลสหยาบถ้รู้ทันมันใจก็สงบใจไม่ฟุ้งไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเรียบร้อย สบายอยู่กันเน้กับตัวครานี้ก็เดินปัญญาหลักของการเดินปัญญาเนี่ยต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจให้ได้นะหลายคนที่พอมีสติขึ้นมาปุ๊บรูปนามกายใจเป็นแยกเองนะพวกที่มีบารมีเนี่ยมีสะสมมาแล้วเคยภาวนามาแล้วพอใจรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเองเลยนะ เห็นความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนี่เห็นเองเห็นกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนี่มันเห็นได้เองนคนซึ่งมีบารมีอบรมมามีสีแก่กล้าขึ้นมาบางคนไม่แก่กล้าพอรู้ตัวแล้วมันรู้อยู่เฉยๆรู้ว่างๆอยู่ไปเอาความว่างนองสารภาวนาอความว่างเรียกว่ามรกน้อยในเรื่องไม่ควรมรกน้อยต้องรู้กายต้องรู้ใจนะ คนที่เจ้าไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยงั้นบางทีทําสมาธินะรู้ตัวใจตั้งมั่นอยู่กันนึวกว่าตัวรู้ตัวสว่างว่างสบายจิตไปค้างอยู่ตรงเนี้ยขี้เกียจขี้คลานไม่เดินปัญญาต่ออย่ามาคุยเรื่องมรรคนิพพานบางคนเข้าใจผิดนะบอกให้ประคองจิตให้ว่างไปไงนะั้นอะว่างไปถึงที่หนึ่งแล้วบรรู้มรรคนิพพานมรรคนิพพานไปได้ด้วยปัญญาปัญญาทําหน้าที่อะไร ปัญญาทำหน้าที่ล้างความเห็นผิดศีล ส, สมาธิปัญญาทำหน้าที่ไม่เหมือนกันศีลนเนี่ยละอะไรละการทำผิดทำบาปทางกายทางวาจาสมาธินะละการทำผิดทำบาปทางใจปัญญาละความเห็นผิดคนล้อันกันนะงั้นเราจะเอาศีลมละความเห็นผิดเนี่ยละไม่ได้ จะเอาสมาธิมาล้างความเห็นผิดน่ล้างไม่ได้ล้างด้วยปัญญาเราะนั้นต้องต้องรู้นะว่าอันไหนใช้เครื่องมืออันไหนกิเลสมีหลายชั้นปัญญาล้างกิเลสที่ละเอียดที่สุดกิเลสที่ละเอียดที่สุดคือความเห็นผิดไมไม่ใช่แค่ราคาตัวสมโมหะนะมันคือหัวหน้าโมหะความเห็นผิดคือตัวอวิชชาเะนั้นเราจะล้างด้วยปัญญาอาวิชชาคือความไม่รู้ ล้างด้วยปัญญาคือความรู้เป็นคู่ปรับกันรู้ความจริงของกายของใจรู้แจ้งลงมาในกายในใจนี่จะรู้แจ้งในกายในใจได้จิตใจต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิก่อนถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลืมเนื้อลืมตัวไปปัญญาไม่เกิดะหรือมีสมาธิแล้วก็ไปพอใจนิ่งว่างอยู่ในสมาธินะไม่ยอมดูกายดูใจมันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะปัญญาคือการเห็นความเป็นจริงของกายของใจนะ เราต้องรู้นะว่าอะไรใช้สู้กับอะไรศีลนะเอาไว้สู้กับการทําผิดทําบาปทางกายทางวาจาสมาธิเอาไว้สู้ความผิดความบาปทางใจใช้ฟุ้งซ่านไปใช้ปรุงไปทางพยาบาทปรุงไปในกรมปรุงไปในความฟุ้งซ่านปรุงไปในความหดหู่ปรุงไปในความลังเลสงสัยใจรู้สติรู้ทันนะใจก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่พอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วบางคนขี้เกียจไม่เดินต่อละ ทำมาสองขั้นแล้วศีล ส, สมาธิแล้วพอใจแล้วโอ้สบายแล้วนะชาติหน้าไม่ต้องมาเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมสบายให้มันสบายจริงเหอะมันไม่สบายจริงหรอกเนะทวดาก็ทุกนะพรหมก็ทุกนะทุกอย่างพรหมทุกอย่างเทวดานะไม่มีความสุขจริงหรอกต้องมาเจริญปัญญานะนี้บางคนเนี่ยที่อินทรีย์แก่กล้านะพอรู้ตัวขึ้นมาปุ๊บจิตตั้งมั่นรู้ตัวปุ๊บเริ่มเจริญปัญญาได้เองนะ นเห็นกายแยกออกไปส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็นเวทนาแยกไปส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลนะแยกไปส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูแยกออกมาได้แล้วเห็นจิตนเกิดดับเนี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงนี่บางคนที่เขาทำมาแล้วนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บมันเห็นเองเลยนี่บางคนไม่เป็นบางคนไม่เป็นต้องฝึกเอาวิธีฝึกก็คือช่วยมันหักแยกธาตุแยกขันช่วยมัน วิธีช่วยทําไงดีนั่งก็ได้นะนั่งให้สบายนะเอาให้สบายสุดๆเลยนั่งแต่อย่านั่งหลับก็แล้วกันสมมติว่านั่งสมาธิแล้วสบายก็นั่งสมาธิไปนั่งเก้าอี้แล้วสบายก็นั่งเก้าอี้ไปนะมีเก้าอี้ตัวละแสนนั่งแล้วแทบจะปลิวแทบจะลอยก็นั่งไปไม่เป็นไรหรอกไม่เกี่ยวกับท่านั่งหรอกหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อนะว่าไม่เกี่ยวกับอิริยาบทเลยท่านบอกเอาหัว พิ่มฟืนหน้าท้าชีฟ้านะนะก็ภาวนาได้นะไม่ไปอยู่ที่เรียบทเนะนนเพราเบื้องต้นนั่งให้สบายไปก่อนนั่งให้สบายนะแล้วค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดดูบางคนมารู้เองถ้าคนไหนมันไม่รู้เองนะก็ช่วยมันหน่อยบางทีครูบาอาจารย์ให้พิจารณากายนะ ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอะไรนี้พิจารณาพิจารณาไปช่วยมันนะช่วยมันดูเพื่อให้เห็นว่าร่างกายมันเป็นส่วนหนึ่งจิตมันอยู่ส่วนหนึ่งหรือถ้าเราไม่พิจารณาเรานั่งดูเอาเลยก็ได้เห็นร่างกายที่หายใจออกเห็นร่างกายที่หายใจเข้าเห็นร่างกายที่นั่งเนะี่ยดูไปงี้นะ ordon. หรือจะร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจริงๆได้ทุกอที่จะบทนะนะแต่เอานั่งไว้ก่อนนะ หรือใครถนัดเดินก็เดินไว้ก่อนนะยกเว้นนอนนะนอนเนี่เอาไว้ทีหลังอย่าเพิ่งเลยหัดง่ายเกินไปนะงั้นเอายืนเอาเดินเอานั่งไว้ก่อนใครถนัดอะไรเอานะั้นแหละอย่างหลวงพ่อถนัดนั่งหลว่อก็นั่งดูเห็นร่างกายหายใจใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกนี้ดูไปดูไปมันจะเห็นเลยร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอันกันเนะนี่ยมันเริ่มแยกและเริ่มแยกขันลนะ รูปรขันอยู่ส่วนหนึ่งนามขันอยู่ส่วนหนึ่งนะนั่งต่อไปเรื่อยๆนั่งให้สบายนั่งเก้าอี้ตัวละหมื่นตัวละแสนอะไรก็นั่งไปนะนั่งไปนั่งไปสักพักหนึ่งก็เมื่อยมีไม่นั่งเก้าอีแ้แพงๆแล้วไม่เมื่อยที่หลวงพ่อสังเกตนะเก้าอี้ยิ่งแพงยิ่งนั่งเราเมื่อยเราคงไม่มีบุญอะ่ะเวลาไปเทศที่ไหนนะเขาจะจัดเก้าอี้นั่งแล้วยกไปครึ่งตัวโปรหัวมาหน่อยนะโอ้ยเมื่อยจะตายนะ เขนั่งเกรงไว้ตลอดเลยเห็นแล้นั่งลงไปนะประเดี๋ยวหนึ่งก็เมื่อยขึ้นมาละพอเมื่อยเราค่อยๆสังเกตนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความเมื่อยร่างกายยังไม่ได้ขยับเลยเมื่อกี้ไม่เมื่อยตอนนี้ชักเมื่อยขึ้นมาละเนี่ยค่อยดูอันนี้เราจะเห็นว่าความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามา เ, ออเวทนากับกายนี่คนละส่วนกันจริงๆนะจิตเป็นคนดูเนี่เราแยกได้สามขันแล้วนะ ทีแรกนั่งไปหรือเดินไปเนี่ยเราก็เห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูนี่แยกไกลและจิตออกถัดจากนั้นแยกต่อไปอีกนั่งไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยเมันเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาเข้ามาทีหลังหรอกนะทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อยนะนี่ความปวดความเมือ่อยแทรกเข้ามาเป็นอีกขันหนึ่งร่างกายกับความปวดเมื่อยคนละอันกันจิตเป็นคนดูนี่ได้สามขันแล้วนะ ต่ไปพอจิตใจร่างกายมันปวดเมื่อยมากขึ้นมากขึ้นน่ยจิตชักจะกระสับกระส่ายแล้วถ้าเราดูเป็นเราจะเห็นว่าจิตไม่ได้เมื่อยกายก็ไม่ได้เมื่อยความความปวดความเมื่อยนั้นแทรกเข้ามาอยู่ในกายนะจิตไม่ได้เมื่อยเลยนะจิตไม่เกี่ยวเลยแต่จิตกระสับกระส่ายเพราะจิตมันรักกายนะมันรักว่านี่ร่างกายของเราโอ้ยนั่งอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอมภาพแล้วยังไม่เคยเห็นใครนั่งสมาธิเป็นอมภภาพสักคนเลยนะมีไปทําอย่างอื่นเป็นอมภาพ นี่เราค่อยดูไปพอพอมันเจ็บมันปวดมากขึ้นมากขึ้นนะใจมันกระสับกระสายเราจะเห็นหมว่าเอ๊ะตะกี้ใจมันเฉยๆนะตอนนี้ใจกระสับกระสายเห็นไหมใจกับความกระสับกระสายมันคุละอันกันอีกนี่ค่อยดูอย่างนี้นทีแรกก็ดูกายนะกับจิตมีจิตเป็นคนรู้คนดูต่อมาความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามาในกายเราก็เห็นความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่กายพอมันปวดเมื่อยมากนะความกระสับกระสายแทรกเข้ามาในจิต เรามีสติรู้ทันอีกนะก็เห็นว่าความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่จิตความกระสับกระส่ายกับความปวดเมื่อยก็คนละอันกันนะความปวดอยู่ที่กายนะแต่ว่าใจมันทุรนทุรายขึ้นมากัางวลขึ้นมากลุ้มใจมมโมโขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาโมโหขึ้นมามันมาเกิดที่ใจใแล้วมันก็ไม่ใช่ใจเลยความโกรธก็ไม่ใช่ใจความหงุดหงิดก็ไม่ใช่ใจใจเป็นคนดูนี่หัดแยกมันอย่างนี้นะนี่ได้4ขันนะได้ร่างกายนะขันหนึงได้เวทนาความปวดความเมื่อยขันหนึง ความทุรนทุรายของจิตใจนี่เป็นสังขารขันอีกขั น, ขนหนึงจิตเป็นคนดูอีกขันหนึ่งนะสัญญาขันเนี่ยเพิ่งไปยุ่งกับมันยุ่งกับสัญญาเร็วเกินไปเดี๋ยวบ้าเรียกสัญญาวิปลาสเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาท่านสอนท่านจะสอนกายเวทนาจิตเห็นไหมจะสอนตรงนี้อย่ามิ่เอาสัญญาเว้นไว้ก่อนเดีย๋ยเพิ่งไปยุ่งบางคนไปยุ่งกับสัญญานะพยายามดัดแปลงสัญญาเช่นเห็นโต๊ะเรียกเก้าอีนะ้อย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะ แค่รู้รูลูกเดียวนะรู้ลงในกายรู้เวทนารู้ความปรุงแต่งที่เป็นกุศลกุศลของจิตแล้วก็รู้จิตใจของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนนี่หัดแยกอย่างนี้นะนถ้ามันไม่แยกเองก็ช่วยมันแยกตามวิถีที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยนั่งดูมันไปค่อยๆพิจารณาค่อยๆแยก น, นี่พอมันแยกแล้วเนี่ยขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเราแล้วจ ะ, ะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเลย ร่างกายถ้ามันแยกออกจากจิตเมื่อไหรร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกนะเป็นความรู้สึกไม่ใช่ความคิดจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เป็นสุขทุกข์อะไรพวกนี้ไม่ใช่เรานะจิตใจที่เป็นกุศลอกุศลนี่ไม่ใช่เราไม่มีตัวเราตัวจิตเองที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่ใช่เราเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดไหมผู้รู้ไม่เที่ยงหรอก ทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดทนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราคําว่าเราหมายถึงเราถาวรนะมีเราที่เป็นอมตะเรียกเรื่องอัตตาอัตตาหมายถึงมีตัวเราถาวรไม่มีตัวเราถาวรมีแต่ตัวเราที่ปลุงขึ้นมาแวบๆเราพอนารู้สึกไหมบางทีมีเราขึ้นมาแวบๆแต่เดี๋ยวเดียวหายไปแ ล, และวนั่นไม่ใช่อัตตาเขาเรียกว่ามานะไม่ใช่ต <k> ัวอัตตานะอัตตาไม่มี มันเป็นตัวมานะเป็นตัวสำคัญมั่นหมายว่ามีเรามีกูขึ้นมานะค่อยดูลงไปเรื่อยไม่มีอะไรเป็นเราคือไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรกนะายก็ไม่ใช่ตัวตนถาวร น, นะ <c oughs> ไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นของถูกรู้ถูกดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ว่าจะเกิดที่กายหรือเกิดที่ใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะกุศลอกุศลทั้งหลายนี่เกิดที่ใจไม่เกิดที่กาย เวทนาเนี่ยเกิดได้ทั้งกายทั้งใจอกุศลอกุศลเกิดที่ใจจิตไปรู้เข้าก็เห็นวนะ่าไม่ใช่เรานะตัวจิตเองนะ่ะทำยังไงดีแล้วก็มีจิตเห็นจิตมีจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าที่เพิ่งดับไปสดส ด, สดร้อนร้อเราก็จะเห็นว่าจิตนั้นไม่คงที่หรอกนะจะจิตตะกี้หลงตอนนี้รู้สึกอะไรเงี้ยหรือรู้สึกอยู่พักหนึ่งก็หลงไปใหม่ตอนหลงไปนะก็จะไม่รู้นะว่าเมื่อกี้รู้สึกตัวอยู่เพราะหลงอยู่ ก็จะเว้นไปช็อตหนึ่งพอหลงไปอีกพอมีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงนี่ก็กลับมารู้ได้อีกพอรู้แล้วก็บางทีก็เกิดสติเกิดจิตอีกรวงหนึ่งรู้ว่าจิตตะกี้รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ก็มีนะเพนั้นจิตนี่เราเลือกไม่ได้เลยว่าจะเป็นจิตที่รู้สึกตัวหรือจิตที่หลงเราเลือกไม่ได้แล้วแต่มันจะเกิดนะเราบังคับมันไม่ได้นี่คืออนัตตานะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ เรเฝ้ารู้ไปนะมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ในจิตนี้จิตเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็หายไปกลายเป็นจิตเฉยเฉยเฉยเสักพักหนึ่งอาจจะสุก ข, ขึ้นมาอีกก็ได้หรืออาจจะทุกข์ก็ได้มันทุกข์ไปรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้อหายไปอีกอาจเกิดจิตเฉยเฉยขึ้นมาอีกหรือเกิดจิตที่ยินดีอย่างบางทีเราทุกข์ทอยู่นะพอเรามีสติรู้ทันนะจิตเบิกบานใึ้นมาเลยจิตที่เบิกบานเป็นจิตอีกดวงหนึ่ง เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะมีแต่เกิดดับอันนั้นเกิดอันนี้ดับอันนี้เกิดนี้ดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในกายนี่แหละร่างกายก็เกิดดับนะเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วยถ้าภาวนาถ้ามีสมาธิหนุนลงไปก็จะเห็นเกิดดับจริงๆเป็นกลุ่มๆเป็นย่ำๆอยู่ในกายนี่นะวับๆับวถ้าไม่เห็นก็ดูไปกายที่หายใจออกอันหนึ่งกายที่หายใจเข้าอันนึ่งกายที่ยืนเดินนั่งนอนโคราอันโคราอันดูไป ไม่มีตัวเรา jis, รหรอกคนละอันกันไม่ใช่ตัวตนถาวรเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรเกิดแล้วก็ดับสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรดีได้ก็ยังชั่วได้ชั่วได้ก็ยังดีได้จิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ถูลงไปอย่างนี้มีปัญญานะเห็นเลยทุกอย่างในกายในใจนี้ เกิดดับหมดเลยไม่มีตัวไหนเลยนะกายก็ไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไม่ใช่เราสักอันเดียวดูไปซ้าแปซ้ำมาปัญญามันเกิดว่าตัวเราไม่มีนะจิตมันสรุปได้ว่าตัวเราไม่มีเพราะจริงๆไม่มีจิตมันไม่ยอมรับพามันดูทุกวันทุกวันมันเห็นความจริงในที่สุดมันต้องยอมรับนะยอมรับได้ได้ไดเป็นพระโสดาบันนะละความเห็นผิดไป Kindern. เอาแค่โสดานะเอาแค่นี้ก่อนไปกินข้าว <Pharm ad> <ian> <thms> นี่หมดเลยครับท่านอาจารย์